เรื่องภิกษุผู้พยาบาลไข้ไม่ต้องถือนิสัยพระผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุผู้พยาบาลภิกษุไข้เมื่อไม่ได้ผู้ให้นิสัยทั้งถูกภิกษุผู้เป็นไข้ขอร้องพึงอยู่โดยไม่ต้องถือนิสัยสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งอยู่ในป่าและเธอมีความพาสุขในเสนาส น, านั้นต่อมาท่านมีความดำริว่า พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ว่าภิกษุจะพึงอยู่โดยไม่ต้องถือนิสัยไม่ได้ก็เราจําต้องถือนิสยัยแต่ยังอยู่ในป่าและมีความพลาสุขในเสนาสนานี้เราจะพึงปฏิบัติอย่างไรหนอภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนี้ให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบ